ช่วงนี้ที่เมืองหางโจวนประเทศจีนมีมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายการจิงเหรียญทองของกีฬาที่เรียกว่าโรลโรสเก็ตก็คือการใช้สกเก็ตเนี่ยวิ่งไปรอบลู่ยาวประมาณ3 0 0พเมตรสามกิโลก็คงจะบนหลายรอบนะก็เป็น กีฬาที่หลายคนก็นิยมนะแตดูเหมือนจะเ ม, เมืองไทยจะไม่ได้นิยมเท่าไหร่เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่แข่งกันเนี่ยก็มีเกาหลีใต้เนี่ยนักกีฬาเกาหลีใต้นำมาโดตลอดแล้วที่ไล่กลัวมาติติ ก, ก็คือไต้หวันนักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยพอถึงช่วงสุดท้ายเนี่ย เพื่องนำอยู่นะพอถึงเมตรสุดท้ายเนี่ยเส้นชัยเนี่ยอยู่ข้างหน้าในขณะที่เขาเนี่ก็นำมาตลอดเราก็ดีใจมากนะดีใจที่จะได้เป็นผู้ชนะได้เหรียญทองก็ดีใจชูมือขึ้นมาก่อนที่จะถึงเส้นชยัย แต่ก็ไม่เฉลีใจว่าข้างล่างอข้างหลังเนี่ยนักกีฬาไต้หวันเนี่ยแม้ว่าจะตามมาติดๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่พอถึงเมสุดท้ายเนี่ยเขาใช้วิธีสไลด์ยื่นขาเนี่ยให้มันยาวเหยียดที่สุดตัวอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเขายื่นขายื่นขาซ้ายนี่ยยาวเหยียดเลยนะ แล้วก็เข้าเส้นชัยนักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยก็เชื่อเตือนชนะได้เหรียญทองแต่ปรากฏว่านักกีฬาไต้หวันเนี่ยเข้าถึงเส้นชัยก่อนด้วยขาซ้ายของเขาถึงเส้นชัยก่อนเกาหลีใต้เนี่ย 0.01 วินาทีพอประกาศผลมาเนี่ย น, นักกีฬาเกรหลตายนี่แกน้าสิทธิ์เลยนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยยังมั่นใจเลยนะว่าชนะแน่เป็นความมั่นใจตั้งแต่ยังไม่ทันจะถึงเส้นชัย แต่กลายเป็นว่าได้ที่สองที่จริงเนี่ยถ้าว่านักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยเรียกว่าทุ่มตัวจนเม้สุดท้ายเนี่ยก็คงจะชนะได้ที่หนึ่งเหรียญทองแต่ตอนนั้นเนี่ยแกชรลาดใจว่าเนี่ยจนชนะแน่เพราะว่า นักกีฬาไต้หวันเนี่ยตามมาข้างหลังท่านตั้งแต่ไม่ถึงเส้นชัยเนี่ยแต่ว่าก็ชูมือแล้วว่าฉันชนะแน่ในขณที่ไต้หวันเนี่ยถึงแม้สุดท้ายนี่ยังไม่ยอมนะแม้ว่าตามมาเป็นที่สองเนี่ยแต่ว่าแม้สุดท้ายนี่ยังไม่ยอมนะเรียกว่าพุ่งเลยนะพุ่งโดยการยืนขาเนี่ยให้มันเหยียดยาวที่สุด และสุดท้ายก็สำเร็จนะเท้าเนียขาเนียถึงเส้นชัยก่อนลำตัวหรือหน้าอกของนักกีฬาเกาหือใต้แค่ 0.01 วินาทีอันนี้เรียกว่าถ้านักกีฬาเกาหือใต้เนี่ยเขาไม่ฉลาดใจเนี่ยแล้วเขาทุ่มและเพียรพยายามจน แม้สุดท้ายจนกระทั่งถึงเส้นชายแล้วค่อยดีใจเนี่ยก็คงจะไม่ผิดหวังนะอันนี้มันคล้ายๆกับคลิปที่เคยเห็นนะแต่ไม่ใช่โรลสก็ตนะเป็นการแข่งฟุตบอลแต่ลูกโทษ เป็นการเตะที่ชี้ชะตาของทีมนะว่าจะได้แชมป์หรือไม่ลูกสาประตูเนี่ยก็ตั้งใจเต็มที่เลยแล้วปรากฏว่าสามารถลูกที่อีกฝ่าย ย, ายิงมาเนี่ยไม่ให้เข้าประตูพอปัดได้นี่ก็ดีใจมากเลยก็โดดลดเต้นใหญ่เลย ว่ากูชนะแล้วได้แชมป์แล้วแต่ก็ไม่เฉลียวใจไม่เหลียวมามองดูดูฟุตบอลนะซึ่งมันพอมันก็ตกลงพื้นเนี่ยมันก็ค่อยๆกลิ้งเข้าประตูตัวเองก็กลายเป็นว่าจากชนะกลายเป็นแพ ที่จริงเนี่ยถ้าเขาไม่ดีใจจนกรทั่ง เ, เรียกว่าลืมตัวเนี่ยหันมาดูผลงานเขาสักหน่อยนะว่าไอ้ฟุตบอลที่เขาปัดไปเนี่ยมันนิ่งหรือยังเรียกว่าลูกมันตายหรือยังถ้าเขาไม่หมดแต่ดีใจนะในชัยชนะ หันมาดูสักหน่อยนะว่าลูกมันนิ่งหรือยังเขาก็หันมาดูเนี่ยนะเขาก็ยังมีทางที่จะปัดลูกไม่ให้กลิ้งเข้าประตูได้แต่เขาไม่สนใจไงเพราะเขาเขาว่าชนะแน่แล้วก็โดดลดเต้นใหญ่เลยกูชนะแล้วกูชนะแล้วนล้ที่มันน่าสนใจคือว่ากรณีแบบนี้ไม่ได้มีครั้งเดียวนะเคยเห็นคลิป การแข่งนัดอื่นด้วยนยก็เป็นนัดสำคัญก็เหมือนกันเลยนะแต่ลูกโทษแล้วก็ประตูก็ปัดลูกออกไปได้ดีใจใหญ่เลยบอกว่าลูกที่มันพอมันตกลงพื้นเนี่ยนะมันก็ไหลเข้าประตูโดยที่ผู้รักษาประตูเนี่ยมองไม่เห็นนะเพราะว่าเอาแต่กระโดดลดเต้นด้วยความดีใจ ดีใจเพราะละดีใจเพราะคิดว่าชนะแน่ที่จริงมันจะไม่แน่นะตาใดที่ลูกยังไม่นิ่งหรือจะไม่ตายเนี่ยก็เหมือนกับนักกีฬาโดรสเกตเกาหลีเนี่ยเมื่อถึงเมสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วตัวเองนำมาเป็นที่หนึ่งตลอดเนี่ยก็แน่ใจว่าเนี่ย ชนะแน่ถึงกับชูมือนะด้วยความดีใจบอาก็ว่ากลายเป็นชราดใจไปให้คู่แข่งที่ตามมาติดๆนี่เขาสามารถจะโชว์โอกาสชนะเป็นที่หนึ่งได้เรื่องนี้มันสอนอะไรเรานะมันสอนเห็นว่าอย่าวพิ่งดีใจนะถ้า ใช้ชนะมันยังไม่แน่นอนหรือเพิ่งดีใจถ้าผลยังไม่ชัวร์คนมาคิดว่าชัวร์เนี่ย 99% นี่คือชัวร์แล้วคือแน่นอนตนะั้งสองกรณีเนี่ยนะมันใจชนะเป็นของนักกีฬากาหลใต้เนี่ยแบบ 99% แล้ว เช่นเดียวกันก็ชัยชนะก็เป็นของผู้รักษาประตูที่ปัดลูกโทษได้มัน 99% แต่ว่าในโลกนี้ 99% เก็นี่ยก็ยังไม่ถือว่าชัวจะชัวได้ก็ต่อเมื่อ 100% เรตพราะแต่ใดที่มันยังแค่ 99% ก็หมายความว่ายังมีอีก 1% ที่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วความเป็นจริงของโลกก็เป็นอย่างเงี้ยนะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ตราบใดที่มันยังมีโอกาสและโอกาสนั้นจะเป็นเพียงแค่ 1% นึ่คนเนี่ยไปคิดว่าเนี่ยถ้า 99% เนี่ยคือชัวร์คือชนะแน่แต่ไม่ใช่ชนะแน่คือ 100% ถ้ายังไม่ถึง 100% เนี่ยก็อย่าพึ่งมั่นใจว่าชนะแน่ และเมื่อยังไม่รั่วจะชนะแน่หรือไม่ก็อย่าพึ่งดีใจจะต้องทำเต็มที่จนกว่ามันจะจนกับผลมันจออกมาเป็นร0 0ซในวงการกีฬาเนี่ยนะอะไรอก็ไม่แน่นอนตัดบใดที่มันยังมาร0อยอย่างเช่นนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมีหลายนัดทีเดียวเลยนะทีมกอ์เนี่ย ยิงนำไปจนกระทั่งถึงนาทีที่เก้าสิบเตรียมฉลองชัยชนะแล้วแต่พอทดเวลาบาดเจ็บไปสามสีนาทีเนี่ยทีมที่ยิงนำเนี่ยกับแพนะพอเสียประตูไปสองประตูแชมป์เนี่ยที่ เรียกว่าอยู่แค่เอื้อมเนี่ยหลุดรอยไปทันทีเลยอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะนที่เป็นที่กล่าวขานกันมากคือตอนที่ทีมแมนเชสเตอร์ n ยู e d นแตชนะเบย์เออร์มิวนิตเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. ได้แชมป์ยุโรปเนี่ย mm hmm. ก็ว่าเหตุแบบนี้แหละคือพอถึงนาทีที่90แล้วยังไม่ยอมแพ้ยังสู้ ส่วนทีมที่ชนะยิงนำคือบายเยอร์นเนี่ยคิดว่าแน่นอนแล้วพวกแฟนๆบางคนก็เตรียมกลับบ้านแล้วเพราะว่าถ้ากลับที่หลังเดี๋ยวรถติดเนี่ยเตรียมกลับบ้านได้ความสึก ด, ดีใจที่ทีมตัวเองชนะกลับไปถึงบ้านตกใจแพ้เลยเนี้ย จากยินนำา1 0, ึ่กเป็นแพเป็นสองแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ครั้งเดียว น, นะมันเกิดขึ้นบ่อยมากมันยิ่งย้ำเลยนะว่าอย่าเพิ่งดีใจถ้าผลหรือช้ยชนะยังไม่แน่นอนหรือถ้ามันยังไม่ชัวร์แล้วคำว่าชัวในที่นี้ไม่ได้แปยความหนึ่งาเเปรเร็หรือ 99.99 99. นะ มันต้องหมายถึงร้0ยคือผลมันต้องออกมาแล้วเนี่ยถึงจะแน่ใจว่าชนะถ้าเวลายังไม่หมดหรือถ้ายังไม่ถึงเส้นชัยจริงๆหรือถ้าลูกยังไม่นิ่งเนี่ยนะมันก็แปลว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้บทเรียนเร้อนิจจังเนี่ย ม, มันมันสิ่งที่ต้องเตือนใจเรามากนะ อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้แม้จะในช่วงเวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายหรือแค่วินาทีสุดท้ายเนี่ยเพราะลมมันเป็นอย่างนี้เองเพราะนั้นเนี่ยมันก็สอนใจแล้วว่าเนี่ยอะไรที่ยังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งดีใจและระหว่างที่ยังไม่ชนะร้0เซก็ต้องอย่าชะลาดใจต้อง ต้องใส่ใจต้องมีความเพียรพยายามต้องมีความระมัดระวังอันนี้แม้กระทั่งในการสงครามเนี่ยก็ก็มีคาพูดว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยจะเพิ่งนับศพทหารบางทีมันเหมือนว่าจะชนะแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งนี่เพียงพำเต็มที่ถูกตามล่าไล่ล่าจนกันทังแตกพ่ายยับเยิน ก็ยังไม่เรียกว่าชนะนะเพราะว่าไอ้ที่หนีไปได้นี่อาจจะกลับมาแล้วก็ย้อนเกล็ดไอ้ที่คิดว่าจะชนะกลายเป็นแพไปมันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เยอะนะในการสงครามเนี่ยที่จริงในชาดกนะก็มีเรื่องราวของกษัตริย์สองเมืองนที่จะทำศึกสงครามนันกษัตริย์เมืองนึงเนี่ย ก็ถามพระฤาษีนะพระฤาษีเนี่ยติดต่อพระอินได้พระอินก็บอกฤาษีว่าเนี่ยเมืองของท่านเนี่ยชนะแน่พอกษัตริย์ฝ่ายนั้นรู้เข้าก็ดีใจแล้วก็ประมาทปล่อยให้ทหารเนี่ยนะเรียกว่าสนุกสนานกันก็ขนาดพระอินบอกว่าชนะแน่เนี่ยนะมันก็ช่วยเีย ในเมืองนึงเนี่ยก็รู้เหมือนกันนะว่าพระอินทร์พูดทำนายผลสงครามยังไงแต่ว่าไม่ยอมแพ้มีการฝึกรีธพลอย่างเต็มที่เลยเขาก็พอทำสึกสงครามกันนะฝ่ายที่พระอินทร์บอกว่าแพ้เนี่ยกับชนะ ชนะเพราะอะไรเพราะว่าเตรียมตัวมาดีนะไม่ยอมท้อถอยขณะที่ฝ่ายที่พระอินทร์บอชนะเนี่ยกับแพ้เพราะประมาทที่ประมาทเพราะอะไรเพราะคิดว่าชนะแน่ท่ไยถงคิดว่าชนะแน่ก็พระอินทร์บอกเนี่ยแต่ถึงแม้พระอินทร์บอกก็แค่ีโอกาสชนะเก้าสบเก้าอร์เซ็นต อีก 1% เร์ซนเนี่ยมันอยู่ที่ความเพียรพยายามตอนหลังเนี่ยกษัตริย์ที่แพ้นี่ก็ไปไปว่าพระฤาษีนะพระฤาษีก็ไปถามพระอินทร์พระอินทร์เลยบอกว่าความบักบันเพียรพยายามของมนุษย์เนี่ยแม้แต่เทวดาก็ไม่อาจกีดกั้นได้ นี่ขนาดเทวดานี่ก็ยังผิดได้นะเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเหตุปัจจัยอย่างนี้คือความเพียพรพยายามนั้นไม่ว่ากีฬาการสึกสงครามในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรชัวร์นะจนกว่าจะออกมาเกิดผลจ่องอมาแล้ว ผออกมาแล้วร0เนี่ยจริงจะเรียกว่าชัวถ้ายัาง 99% เนี่ยยังเรียกว่าไม่ชัวและเมื่ อ, อยังไม่ชัวก็จะพึ่งดีใจหรือพึ่งเสียใจฝ่ายที่คิดว่ามีโอกาสชนะแน่ก็จะต้องไม่ฉลาดใจจะต้องระมัดระวังและเรื่องนี้ก็ยังชี้เห็นนะว่า ไอ้ความดีใจความเสียใจนีมันใกล้กันนิดเดียวนะนักกีฬาเกาหลีตายโอ้ยชูมือดีใจใหญ่แต่พอไม่ถึง1 น, นาทีต่อมาคอตกเลยดีใจกับเสียใจมันใกล้กันนิดเดียวนะก็เหมือนกับผู้รักษาประตูเนี่ยที่กระโดดลดเต้นนะด้วยความดีใจที่ปัดประตูได้ปัดฟุตบอลออกไปได้แต่พอเห็น รูปฟุตบอลที่ตัวเองปาดนี่มันเข้าประตูตัวเองไปเข้าไปอย่างช้าช้านะโอ้โหเรียกว่าเข่าสุดเลยเรื่องความดีใจความเสียใจหรือว่าชัยชนะความแพ้แพ้มันใกล้กันมากนี่มันก็เป็นธรรมดาโลกเหมือนกันนะคือความไม่เที่ยงเนี่ยเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละที่ทําให้ จากดีใจกลายเป็นเสียใจในฉับพลันจากความสมหวังกลายเป็นความผิดหวังจากชัยชนะกลายเป็นความพ่แพ้หรือจากที่หนึ่งก็กลายเป็นที่สองเหมือนนั้นเมื่อเราตระหนักน่ความไม่เที่ยงเนี่ยมันมีมีฤทธิ์นะมีอนุภาพมากเนี่ยก็นั้นเวลาเวลาเวลาดีใจเนี่ย ก็อย่าเพิ่งดีใจไหมหมดเนื้อหมดตัวเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชัวร์อาจจะการเวลาเสียใจก็อย่าไปเสียใจจนหมดอะไรไตยอยากนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ถึงแม้มันจะชัวร์แล้วก็ตามนะผลแพ้ชนะออกมาชัดเจนแล้วก็ยังสมควรนะที่ แม้จะชนะหรือสมหวังก็อย่าไปดีใจมากเพราะว่าถ้าดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็จะเกิดโทษตามมาอย่างมีอับแปรคนหนึ่งเนี่ยไถูรัตเตอรี่ระวันที่หนึ่งนะกดีใจมากเลยไปที่ตลาดแล้วก็ชูรัตเตอรี่แล้วก็ประกาศว่ากูได้ กูถูกรางวันที่1กูถูกรางวัลที่1ประกาศได้ใครต่อใครรู้คืออยากอวดนะนะคนเราเนี่ยพอ ไ, ได้โชคได้ลาก็อยากอวดในใจตอนนั้นแกคงคิดว่าต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้นะลาก่อนความยากจนหลาก่อนความยากลําบากเราลอคิดแบบเนี้ยเพราะจู่ๆแกก็ฉีกลอตเตอรี่เป็นชิ้นๆเลย ฉีกเพราะความลืมตัวพอรู้ว่าทำอะไรลงไปนี่ก็พยายามเอาลอตเตอรี่เนี่ยที่ฉีกเป็นชิ้นๆมาต่อกันแต่ต่อไม่ติดนะก็หมายความว่าเงินล้านเนี่ยมันหลุดไปจากมือเยลย ก, กู้แุ่ดเลยนะสุดกับพื้นเลยและงนั้นเนี่ยไม่กี่วันก็กลายเป็นคนบ้าไปเลย นี่ถ้าแกไม่ดีใจจนลืมตัวนะแกคงจะไม่เผลอไปฉีกรอ ต, ตรุลีเป็นชิ้นๆนะคนเราเวลาดีใจเนี่ยมันก็ลืมตัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนเราจะลืมตัวเฉพาะเวลาเสียใจหรือเวลากโกรธนะเวลาดีใจก็ลืมตัวอยว่างบางคนพอถูกรถตุลีชนหนึ่งได้โอ้ขับรถกลับบ้าน ใจเนี่ยคิดถึงแต่ว่าจะเอาเงินล้านนี่ไปทำอะไรดีใจมากพราะก็ว่าไม่สนใจถนนหรือรถที่อยู่ข้างหน้าแหกโคง้งชนเสาหรือบางทีก็ไปชนกับรถที่กำลังกลับรถอยู่ข้างหน้าถึงตายก็มีหรือว่าพิกการก็ก็มี มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากถ้าไม่มีโชคก็อาจจะไม่เจอเคราะห์หรือถึงมีโชคแต่ว่าไม่เพลินหลงกับความสุขหรือความสมหวังเนี่ยหรือไม่ดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมันก็ผงไม่เกิดทุกข์ขึ้นมา เันแม้กรทั่งดีใจเนี่ยก็ต้องมีสตินะและวิธีที่ที่เราจะมีสติเมื่อดีใจจนไม่หมดเนื้อหมดตัวคือว่าให้รู้จักเท่าทันมั น, เ, นเห็นมันเวลาดีใจนะก็อย่าไปปล่อยใจจนลืมเนื้อลืมตัวอันมาตั้งสตนะิให้มาเห็นความดีใจและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรฝึกนะ ไม่ใช่จะมารู้ตัวเวลาเศร้าเวลาโศเวลาเครียดเวลาฟุ้งเนี่ยแม้กระทั่งเวลาเจอสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจหรือได้โชคได้ลากหรือสมหวังเนี่ยก็อย่าดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวเวลาสมหวังในความรักแฟนผู้หญิงที่คบหานี่เขา รับเป็นแฟนหรือว่ารับแต่งงานด้วยอย่าเพิ่งไปดีใจมากเพราะว่าถ้าดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะเกิดเคราะห์เกิดเหตุก็เป็นข่าวเป็นคราวมาอยู่บ่อยๆก็ฝึกเอาไว้นะฝึกเห็นความดีใจอาจารย์ประสงค์นั้นเคยเล่านะ ไปเจอเด็กคนหนึ่งในงานศพพ่อแม่ทึงเป็นเจ้าภาพก็ให้ลูกสาวอายุประมาณสิบขวบเนี่ยไปอ้อนรับพระจ่าประสงค์ท่านก็คุยกับเด็กคนนี้คุยไปทักทักก็ส่วูเด็กคนนี้ฉลาดเราก็รู้ธรรมะด้วยเลยบอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็คว้าดึงเอาลูประคมาจากย่าม เด็กเห็นเด็กก้องอู้ฮูอาจารย์ประสงค์ถามเลยเด็กหนูล้องอูู้หนูเห็นอะไรเดี๋ยวแม่ตอบหนูเห็นรูปประคำนะเดยวตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะน่าสนใจนะเด็กไม่ได้บอกหนูดีใจนะไม่๋ย้บอกหนูเห็ข้างในมันดีใจค่ะอาจารย์ประสงค์ท่านก็ถามไปแล้วหนูทาไงกับมันหนูแค่ดูมันเฉยๆค่ะ ตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแลว้วไม่เดี๋ยวคนนี้เขาฉลาดนะไม่ใฉลาดทางร่วมแต่ฉลาดทางธรรม น, นะคือเวลาดีใจก็ก็ไว้นะเห็นความดีใจธรรมดานคนเราพอดีใจนี่ก็ปล่อยใจให้จมอยู่ความดีใจนะแต่เดี๋ยวคนนี้เนี่ยดีใจก็เห็นความดีใจ แล้วก็รู้จักนะรู้จักดูมันเฉยเฉยหรือรู้มันดูสู้ๆความดีใจหรือความเสียใจเนี่ยมันเหมือนกันอยู่อย่างนึงนะคือพอเห็นมันรู้รู้ทันหรือดูมันเฉยเฉยมันก็ค่อยๆดับไปในความดีใจเนี่ยถ้าเราปล่อยใจเหลืองจมกับมันเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะ มันไม่ใช่แค่ทําให้เราลืมเน้อลืมตัวหรือไม่รู้สึกตัวอย่างตัวอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่มันยังทําให้ถึงเวลาที่เราเสียใจเนี่ยเราก็จะจมอยู่ในความเสียใจได้ง่ายถ้าเพลินกับความดีใจมันก็จะจมอยู่ความเสียใจได้ง่ายเมื่อคนที่หัวรอเสียงดังดีใจ ถึงเวลาเศร้าใจก็จะร้องไห้เสียงดังงินถ้าไม่อยากจมอยู่วความทุกข์ความเสียใจก็จะไปเพลินกับหรือหลงอยู่กับความดีใจงนั้นเวลาฝึกเนี่ยฝึกดูใจฝึกรู้ท่าทานอารมณ์เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทันเฉพาะเวลามีอารมณ์ฝ่ายลบอารมณ์เช่นความโกรธความหงุดหงิด หรือว่าความเครียดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เราเรียกว่าอิทธารมเนี่ยน่าพึงพอใจเนี่ยก็อย่าไปเพลิงมันมากให้ตั้งสติตั้งกาดูเห็นมันมาแล้วก็ไปเพราะนั้นท่านหนึ่งสอนว่าเนี่ยให้รู้จักนะวางใจให้ดีนะอย่าไปยินดียินร้ายมองคนสงสัยไม่ยินร้ายอะ เข้าใจทำไมไม่ต้องยินดีด้วยอยากจะปล่อยใจให้มันยินดีถ้าไม่อยากยินร้ายก็ต้องฝึกให้ไม่ยินดีหรือถึงแม้ยินดีก็รู้ทันถ้าไม่อยากเศร้าเวลาสูญเสียไม่อยากโกรธเวลาถูกต่อว่าก็เช่นเดียวกันเวลาได้ก็อย่าไปดีใจมากหรือเวลาได้รับคำชมก็อย่าไปเหลิงเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นของคู่กัน ดีใจมากก็เสียใจมากเอย่างที่บอกนะดีใจเสียใจมันใกล้กันมากเลยเพราะว่าอะไรอรก็ไม่เที่ยงใจเรามันก็ไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งความดีใจยามสมหวังยามได้รับชัยชนะหรือยามได้โชคได้ลาภนี่ก็อย่าไปเพลินกับมันมากให้ต้องต้องฉลาดในการรู้ทันมัน